ขกราบบูชาพระรัตนตรัยขอกราบบูชาครูบาอาจารย <c oughs> ์ตั้งแต่หลวงปู่เทียนหลวงพ่อคำเขียน <c oughs> ขากราบกระวะ <c oughs> พระจำสุรินแล้วก็เพื่อนสาธมิกนะที่มาร่วมกันใช้ชีวิตที่นี่ขอเจริญพรแม่ชีแล้วก็ญาติโยมทุกท่านนะที่มา ปฏิบัติธรรมที่วัดป่าสุขโตเอ่ออะละนั่งตามสบายนะเออวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะถ้าดูตามปฏิทินก็เป็นวันขึ้นสิบห้าข้ามเดือนแปดถ้าไม่มีแปดสองแปดวันนี้ก็จะเป็นวันอาสาฬหบูชานะแต่ปีนี้ก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งนะเป็นเดือนหน้า เราก็ได้มาร่วมกันไหว้พระสวดมนต์นะอาการที่เราได้มาไหว้พระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นการที่ให้พวกเราเนี่ยได้มาน้อมระลึกถึงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีการที่เราตื่นเช้าขึ้นมานด้วยจิตใจที่สดชื่นนะบางคนอาจจะยังไม่สดชื่นบมงตอนนี้นะดูมวงเเหวาหานอ น, นก็พยายามตื่นนะ ถ้าไม่ตื่นนี่เราก็จะโดนความง่วงมันครอบงำน ะ, ะสมัยก่อนเขาจะเปรียบเทียบเหมือนกับพญานาคนะพญานาคนี่มันจะชอบหลับนะนอนง่วงหลับง่วงนอนนะอคู่ตรงกันข้ามกับพญานาคก็คือพุทธนะก็คือความตื่นนะเพราะนั้นก็พยายามที่จะปลุกตัวเองนะให้ตื่นขึ้นนะอย่าให้พญานาคครอบงำบทสวดมนต์ที่เราได้ ได้ได้สาธยายกันไปนะเมื่อสักครู่นี้นะถ้าเราสังเกตให้ดีนะเราก็จะเริ่มต้นจากการกราบบูชานะพระพุทธเจ้านะแล้วก็บูชาพระธรรมบูชาพระสงฆ์นะในความหมายโดยทั่วไปเนี่ยนะเราก็จะพูดถึงพระพุทธเจ้านะที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะนะที่ได้ตัดสรู้นะพระธรรมส่วนใหญ่เราก็จะไประลึกถึง หนังสือพระไตพปิดกบ้างหนังสือธรรมะบ้างพระสงฆ์โดยส่วนใหญ่เราก็จะไปมุ่งตรงที่พระภิกษุสงฆ์ซึ่งอาจจะเป็นส ม, มุติสงฆ์แต่ถ้าเราดูในรายละเอียดลงไปในบทสวดนะพพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นสภาวะของการตื่นรู้เบิกบานซึ่งเราทุกคนเนี่ยมีะระนั้นการน้อม หรือการไหว้ที่แท้จริงการบูชาพรุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือการกลับมาดูความรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ในตัวเรานะอย่างตอนเนี้ยเราลองสังเกต ด, ดูซิว่าใจของเรารู้ตื่นเบิกบานไหมหรือว่าง่วงหลับง่วงนอนนะถ้าเราง่วงหลับง่วงนอนแสดงว่าเราไม่ได้บูชาพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนะแล้วถ้าเราสังเกต ด, ดูการรู้ตื่นเบิกบานของใจ นาที่มันแสดงปรากฏออกมาแล้วเนี่ยนเราก็จะเข้าใจนาสิ่งที่เป็นความจริงนาซึ่งก็คือพระธรรมนั่นเองและขณะที่เราดูนาเรามองเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราก็เป็นผู้ปฏิบัตินก็คือเป็นพระสงฆ์นั่นเองเพราะฉะนั้นการที่เรามาไหวพระสวดมนต์เนี่ยก็เป็นจุดหนึ่งที่จะให้เราน้อมมาบูชาพระรัตนตรัยที่แท้จริงซึ่งมีอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้น พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะก็คือสิ่งที่มีอยู่ในตัวเรานั่นเองนะส่วนความเข้าใจทั่วไปนั้นก็เป็นสิ่งที่เอ่อเป็นวัตถุภายนอกนะซึ่งก็อาจจะน้อมได้นะทำให้เรากลับมาดูที่ตัวเรานี้เองนะนี่ก็เป็นการบูชาพระตนตไตที่แท้จริงและต่อมาเราก็ได้สวดสาธยายมนนะในเรื่องของ บทของว่าด้วยความทุกข์ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้นําเสนอนได้ค้นพบนว่าสิ่งแรกของการที่เราจะเข้าใจธรรมะได้ก็คือเราต้องรู้จักทุกข์เสก่อ น, นซึ่งความทุกข์ก็มีทั้งที่เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับกายก็คือการเกิดการแก่การเจ็บการตาย น, นี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นได้ นะแล้วก็ความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจนะก็คือความโศกเศร้าเสียใจการไม่ได้สิ่งที่เรามุ่งหวังหรือบางทีเราพัดภาคจากสิ่งที่เราลักนะสิ่งที่เราชอบนะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะสังเกตได้ว่ามันก็เกิดในชีวิตประจาวันของเราแต่การที่เราก็ไปยึดไปติดนะไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางเนี่ยก็ทำให้เราทุกข์ นะซึ่งเขาก็ใช้คาว่าอุปทานขันะหรือความยึดมั่นในสิ่งที่ไปคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มีตัวมีตนใช่ไหมสุดท้ายท่าก็ บ, บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนนะมันทนอยู่ไม่ได้นะแล้วก็มันก็ไม่สามารถจะยึดถือหรือบังคับบัญชาได้ก็ต้องปล่อยต้องวางนะนี่เป็นสิ่งที่เราได้จากอาการสาธยายมน แล้วในตอนสุดท้ายนะในวันนี้วันพระเราก็ได้ร่วมกันอาศธยายมณบทพาหุงนะซึ่งอันนั้นนะเป็นการประกาศชัยชนะนะของพระพุทธเจ้านะต่อเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องร้ายแรงต่างๆนะไม่ว่าจะพบกับพญายักษนะ์ก็เอาชนะด้วยความอดทนนะพบกับช้างที่ดุร้ายนะนารากิรีซึ่งเป็นความดุร้ายก็ชนะด้วยความเมตตา นะบทเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ใช้สำหรับให้กำลังใจนะกับคนที่ประพปฏิบัตนะิหรือแม้แต่การสามารถที่จะเปลี่ยนใจองคุริมาไดนะ้โดยการใช้ อ, อิทธิฤทธิต์ต่างๆนะแล้วก็ใช้คำพูดนะที่ทำให้องคุริมานั้นเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจนะมาบุตรไดนะ้นี่เป็นสิ่งที่เราได้สาธยายมนนะซึ่งตรงนี้ นะถ้าเราได้พิจารณาไปด้วยสวดไปด้วยนะมันก็จะเกิดผลทั้งในแง่ของการเจริญสตนะิก็เรียกว่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสตนะิแล้วก็ได้สติปัญญาขึ้นมาด้วยนะจากบทสวดนั้นทําให้เกิดกําลังใจในการที่เราจะประพฤติธปฏิบัตนะิโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรามาอยู่วัดป่าสุกโตแห่งนีนะ้ก็เป็นแห่งที่หรือเป็นแหล่ง นะที่มุ่งหมายให้เกิดการเรียนรูนะ้เรื่องของการพัฒนาความรู้สึกตัวนะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญนะที่เรียกว่าจะทำให้เราเข้าไปเรียนรู้นะชีวิตของเราจริงๆออวิชานี้เนี่ยไม่มีสอนในมหาวิทยาลัยนะตัวกระผมเรียกทำไมเองผ่านระบบมหาวิทยาลัยเคยเรียนมาแล้วก็ เคยสอนก็ไม่มีเรื่องนี้นะมีแต่เรื่องวิชาการข้างนอกนะออกไปมองนอกตัวนะทำอย่างไรที่จะให้มีวิชาชีพนะไปทรมาหากินจะทำอย่างไรที่จะเข้าสังคมได้จะทำอย่างไรที่จะให้ก้าวทันเทคโนโลยีอะไรต่างๆนะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะไปมุ่งหมายการตอบสนองทางด้านร่างกาย นะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่ว่าส่วนประกอบที่สำคัญก็คือจิตใจเนี่ยนะเราต้องมาเรียนรู้นะจากสิ่งเหล่านี้ในมหาวิทยาลัยไม่มีในสถาบันการศึกษาต่างๆไม่มีนะเราก็จะพบได้นะในวัดต่างๆซึ่งก็ต้องเลือกเหมือนกันนะวัดป่าสุขกโต้ก็ให้ความสนใจเรื่องพวกนี้ก็คือมามุ่งมองนะในการที่จะ เรียนรู้จิตใจของเราแล้วก็ให้รู้ความจริ ง, งนะเราจะได้ไม่หลงไม่เข้าไปยึดติดนในสิ่งต่างๆในอารมณ์ในความคิดต่างๆความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราสร้างขึ้นมาเราอาศัยความรู้สึกตัวธรรมดาสามัญที่มีอยู่นั่นเองนพัฒนาขึ้นมา นะ่ซึ่งวิธีการนะที่จะพัฒนาเนี่ยนะเราก็ใช้เรียกคาว่าเจริญสติบ้างกรรมฐานบ้างาวิปัสสนาภาวนาบ้างนะก็มีชื่อเรียกกันต่างๆกันแต่ในที่นี้ก็จะขอใช้คาว่าเจริญสตนะิหรือการทำความรู้สึกตัวนั่นเองทีนี้วิธีการที่เราจะฝึกกันที่วัดป่าสุกโตเนี่ยก็จะเน้นตรงที่ว่าให้เรามีความรู้สึกตัวนะกับกายที่เคลื่อนไหวก่อน นะเพราะว่ากายที่เคลื่อนไหวเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำได้ง่ายนะโดยเฉพาะคนในปัจจุบันนี้นะเราจะต้องเคลื่อนไหวเราจะต้องทำกิจกรรมต่างต่า ง, างนะเราโอกาสที่เราจะมานั่งหลับตาเหมือนสมัยก่อนนะที่เป็นสังคมกเกษตรกรรมเนี่ยเรามีโอกาสน้อยแต่ก่อนชีวิตสังคมกเกษตรกรรมเป็นสังคมที่ไปได้เรื่อยๆ่ไม่รีบร้อนการเคลื่อนไหวก็มีมีบ้างจะไม่รี ไม่รีบเร่งอะไรแต่ในยุคปัจจุบันเป็นสังคมอุตสาหกรรมเป็นสังคมไฮเทคนะที่ต้องมีการเคลื่อนไหวมีการทำกิจกรรมสิ่งน้นสิ่นนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องอาศัยการเจริญสตินาะที่ทำกับการเคลื่อนไหวโดยไม่ต้องหลับตานะให้ลืมตาขึ้นมาวิธีการนี้เนี่ยหลวงพ่อเทียนนะจิตตสุโภนะหรือ บางทีเราก็รู้จักกันในานามของอ ok ุบาสกพันอินทริวชื่อจริงของท่านคือพันอะินทริวซึ่งเป็นคนจังหวัดเลยนะท่านได้ค้นพบวิธีนี้แล้วก็นํามาเผยแพร่เมื่อประมาณ50ปีที่แล้วนะก็เป็นที่รู้จักกันมากขึ้นนะสมัยก่อนนี้ยังไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไหร่เพราะว่าการทํากรรมฐานก็ดีการเจริญสติค ด, ดีแต่ก่อนนั้น จะเน้นให้นั่งหลับตาแล้วก็ให้จิตสงบนะเมื่อจิตสงบแล้วก็ให้มสงบในที่นี้คือไม่ไม่ใช่หลับไปเลยก็ต้องตื่นรู้ขึ้นมานะนั้นก็เป็นวิธีการใน อ, อ, อีกรูปแบบหนึ่งซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นที่แพร่หลายอยู่เพราะฉะนั้นหลายๆคนคงจะเคยผ่านวิธีนั้นมานะวิธีนั้นก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะมีทั้งจุด จุดแข็งและจุดอ่อนนะจุดแข็งก็คืออาจจะทำให้มีความสงบนะสบายนะแต่จุดอ่อนก็คือส่วนใหญ่เนี่ยผู้ปฏิบัติเนี่ยก็จะไม่ทันรู้ตัวนะจะสงบหรือจะตกภวังนะหรือจะหลับได้ง่ายเพราะฉะนั้นวิธีนี้เนี่ยนะที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะเราจะไม่ไม่ไม่มุ่งหมายไปตรงสงบให้แบบนิ่ง แล้วก็ม่วงหลับง่วมนอนให้เราตื่นตัวอยู่เสมอนะให้ลืมตาขึ้นนะการลืมตาขึ้นเนี่ยก็คือการที่เรารเผชิญกับโลกภายนอกนะโดยผ่านทางตาทางหูทางจมูกนะทางลิ้นทางกายนะแล้วก็ไปเข้าไปที่ใจนะเพราะว่าเราติดต่อสัมพันธ์กับโลกโดยทางทั้งหทั้ง6นีนะ้ที่เราเรียกว่าอายตนะ ก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันมากระทบมาสัมผัสถ้าเป็นธรรมดาธรรมดาเราไม่รู้เท่าทันสติเราไม่ทันเนี่ยถ้าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกใจเราก็รู้สึกชอบใจนะดีใจหวงแหนยึดติดเอาไว้แต่สิ่งไหนที่เราไม่ไม่ถูกใจนะไม่พอใจก็อึดอัดขัดเคืองขึ้นมานะอันนี้ก็คือการมีชีวิตที่ ไม่ได้ฝึกสตินะไม่ได้เจริญสติแต่ผู้ที่เจริญสติมาแล้วเนี่ย เ, เมื่อเขาสัมผัสกับสิ่งต่างๆเหล่านี้บางอย่างดีใจบางอย่างเป็นสิ่งที่ชอบเขาก็รู้ทันนะเขาก็ปล่อยวางได้นะอันไหนที่เป็นสิ่งที่กระทบกระเทือนใจทำให้ใจไม่ปกติเขาก็รู้ทันแล้วนะกลับมารู้สึกตัวนะก็จิตใจก็จะไม่ไม่ขึ้นขึ้นลงลงนะเป็นจิตใจปกติ คนที่สึกสติแล้วไม่ใช่เป็นคนที่เย็นชานะเป็นคนที่ตื่นรู้รู้ตื่นเบิกบานรู้เท่าทันความคิดรู้เท่าทันอารมณ์สติปัญญาก็จะได้ก็จะมาทันเวลาเราก็จะไม่ตกอยู่ในอารมณ์หรือในความคิดการกระทาต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำไปด้วยอารมณ์หรือความคิดนะทไปด้วยสติปัญญาซึ่งตรงนี้เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการมีชีวิตเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานอย่างแท้จริงทีนี้รูปแบบของการเจริญสติเนี่ยนะจริงจริงเนี่ยมันก็มีส่ส่ส่วนนะเขาเรียกว่าสติปัฏฐานสนะอันแรกเขาเรียกว่าการมีความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนะภาษาก็ใช้ว่ากายานุปัสนาสติปัฏฐานเออ สิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนแรกนะครับการที่เอาอันนี้มาเป็นส่วนแรกเพราะว่าทาได้ง่ายเห็นได้ง่ายนะก็คือหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านได้พัฒนาวิธีการนะโดยการสร้างเป็นจังหวะขึ้นมา14จังหวะนะที่เรามาฝึกกันเนี่ยนะที่เรายกไม้ยกมือกันเนี่ยนะประมาณ14จังหวะเมื่อเราพลิกมือขึ้นนะให้เรารู้สึกกับการพลิกการยกก็ให้รู้สึก ให้มีการรู้สึกกับการเคลื่อนการหยุดการเคลื่อนการหยุดนะแรกๆใหม่ๆก็ทํำช้าๆให้มันมีความรู้สึกตัวชัดๆนะความรู้สึกตัวชัดๆความรู้สึกตัวเนี่ยไม่ต้องไปคิดให้มันรู้สึกนะบางคนก็ไปคิดให้มันรู้สึกถ้าไปใช้ความคิดเนี่ยบางทีมันก็หนักๆนะเราก็ทําทําความรู้สึกอปกติสบายๆนะ แรกๆบางคนก็อย่างว่าตั้งใจมากก็อาจจะเกรงเคร่งเครียดหน่อยกลัวผิดนะก็ไม่เป็นไร น, ะนั่นก็เป็นเป็นปกตินะของคนที่เริ่มต้นใหม่นะก็ค่อยๆปรับนะเมื่อเรามีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือนะเนี่ยก็เป็นการเรียกความรู้สึกตัวเนี่ยจากการที่แต่ก่อนเราเคยคิดไปเรื่องนู้นคิดไปเรื่องนี้ ตกอยู่ในอารมณ์นั้นตกอยู่ในอารมณ์นี้เนี่ยเราก็กลับมาอยู่กับแนื้อกับตัวนี่เป็นวิธีการที่จะเรียกใจเนี่ยก e ลับมาอยู่กับแนื้อกับตัวนะก็เรียกว่าเป็นการเรียกขวัญเนี่ยกลับมาอยู่กับตัวได้นะเป็นสตินะเมื่อเราทําบ่อยๆทําเรื่อยๆชํานาญความรู้สึกเนี่ยมันจะเกิดการต่อเนื่องขึ้นมาน่ะเมื่อความรู้สึกที่กายต่อเนื่องชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันก็จะเริ่มไปสัมผัสกับ สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราเช่นความปวดความเมื่อยความร้อนความเย็นนะหรือแม้แต่กินน้ําลายเข้าไปเราก็จะรู้สึกหายใจก็จะรู้สึกนะรู้สึกในสิ่งที่มันละเอียดอ่อนเข้าไปนะนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นหรือแม้แต่การที่เราไปเห็นสิ่งต่างๆนะเห็นรูปสวยชอบใจเห็นรูปไม่สวยไม่ชอบใจมันจะเริ่มนะสังเกตสิ่งเหล่านี้มากขึ้น นะและเมื่อเราเห็นสิ่งที่เราชอบใจเรามีความสุขนะมีความสบายใจนะนนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราเรกก็รู้ทันหรือสิ่งที่เราเห็นแล้วเราไม่ชอบใจเกิดความอึดอัดขัดขืงขึ้นมานะเป็นความทุกขนะ์ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นขึ้ น, นมาหรือบางครั้งมันก็ไม่สุขมันก็ไม่ทุกข์มันวางใจเฉยๆมันก็แสดงตงัวอมันอ ย, อย่างนั้นนะ น, นี้ก็เรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐาน นะซึ่งก็เป็นเป็นในส่วนที่สองนะคำว่าเวทนาเนี่ยคนไทยเราหมายถึงสงสารแต่คำบาลีจริงๆเนี่ยหมายถึงความรู้สึกนะความ ร, ารู้สึกภาษาอังกฤษใช้คำว่า feeling นะอันนี้เป็นส่วนที่สองนะที่เราจะได้เรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเราทาไปบ่อยๆเนี่ยมันจะเกิดอันนี้ขึ้นมาเมื่อเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆเกิดความชำนาญเห็นความรู้สึกตัวที่ชัดแล้วเนี่ย นะมันก็จะเข้าปเป็นสิ่งที่จิตเนี่ยมันสร้างขึ้นมาหรือว่ า, าปรุงแต่งขึ้นมาในรูปของความคิดนะความคิดต่างๆคิดดีคิดไม่ดีนะความคิดต่างๆโดยเฉพาะอันนี้เนี่ยเนะขาเรียกว่ า, าภาษาเรียกว่าจิตตานุปัสนาสติปาฐานนะก็คือในส่วนที่สนะความคิดเนี่ยโอ้โหมันสารพัดนะมันจะมี รูปแบบของการคิดเนี่ยต่างๆนานาหรือแม้แต่บางทีเราสงสัยเอเราทำความรู้สึกตัวเนี่ยมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือบางทีอาจจะสงสัยตัวเองขึ้นมาว่าเอสเรามานั่งทำอะไรเนี่ยทำแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรแล้วมันก็จะมีความคิดต่างๆขึ้นมานาเสีงต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมันแสดงตัวออกมาเกิด อ, อะไรขึ้นก็นตามนะให้กลับมารู้สึกตัวจะดีหรือไม่ดีจะสุขหรือจะทุกข์กลับมารู้สึกตัว อย่าไปตามความคิดนะเพราะความคิดเนี่ยมันจะมีรูปแบบที่ชวนให้เราเนี่ยออกไปจากตัวเราใจมันก็จะร่องรอยไปกับความคิดบางเรื่องก็เป็นอดีตบางเรื่องก็เป็นอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่องรอยหรือสิ่งที่เราได้เคยกระทำมาในอดีตนะมันจะฝังอยู่ในใจแล้วมันจะแสดงตัวออกมันอันนี้เรื่องบางเรื่องในบางทีตั้งแต่สมัยเราเด็ ก, ดกอะ่ะนะมันก็ผุดขึ้นมา บางทีก็เป็นความสุขบางทีก็เป็นความทุกข์เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เขามาแสดงให้เราดูนะเหมือนเป็นเป็นภาพยนตร์เป็นละครที่แสดงให้เราดูให้เรารู้ทันเพราะฉะนั้นการมาเจริญสติเนะนี่ยนะมันเหมือนกับเราดูดูภาพยนตนระ์นะแต่เป็นภาพยนตร์ชีวิตที่จริงนะเราไปดูภาพยนตร์ข้างนอกนี่มันมันเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นแต่นี้เราไม่ได้สร้างขึ้นมันเป็นสิ่งที่แสดงตัวออกมาให้เราเรียนรู้ ให้เรารู้จักแล้วเราปล่อยวางนะโดยอาศัยความรู้สึกตัวนั ciğim, Rita, ่นเองเมื่อเราเห็นความคิดสารพัดต่างๆเหล่านี้นะมันก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนะสิ่งต่างๆเนี่ยที่เกิดขึ้นในตัวเราสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นนอกตัวเราเนี่ยที่มันมีการแปลเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมันทนอยู่ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในอำนาจเราทั้งหลายเนี่ยนะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะแสดงปรากฏ นะเราก็จะเห็นความจริงนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่4ี่ที่เรียกว่าธรรมานุปัสนาสติปัฏฐานนะเมื่อเราเห็นอย่างนี้ได้ชัดชัดแล้วเนี่ยนะใจของเราก็จะไม่ตกจมไปอยู่ในความไม่แน่นอนนะเราก็จะกลับมาอยู่ที่ความเป็นปกติของใจนะสติปัฏฐานสี่เนี่ยอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นส่วนที่เราจะเอามาฝึกกันเในส่วนในสี่ส่วนเนี่ยนะทั้งทั้งสี่ ทั้งสี่อันเนี่ยนะเราจะเริ่มต้นที่กายานุปัชนาสติปฐานทาตรงนี้ให้ชัดๆนะเราจะเพึ่งไปสนใจเรื่องออความรู้สึกความนึกคิดหรือสิ่งต่างๆอย่าเพึ่งไปสนใจโดยเฉพาะคนแรกๆต่อย่าเพึ่งไปสนใ จ, จ, นนะน ใ, จให้มาสนใจที่กายเคลื่อนไหวก่อนถ้ากายเคลื่อนไหวชัดมันจะเป็นฐานสำคัญที่เราจะได้ไปรู้สิ่งที่มันละเอียดอ่อนเข้าไป นะที่ว่าเวทานานุปัสสนาจิตานุปัสสนาแล้วก็ธรรมานุปัสสนามันจะเป็นไปเองสติเขาจะทาหน้าที่ของเขาเองเราไม่ได้ไปสั่งเขาเราไม่ได้ไปทาเขาเพียงแต่เราสร้างเหตุก็คือทำความรู้สึกตัวที่กายนี้ให้ชัดทีนี้ก็มีอุปสรรคเหมือนกันสำหรับคนที่ฝึกนะไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามนะอุปสรรคสำคัญนะก็เป็นความเคยชินเก่า นะเช่นความฟุ้งซ่านความง่วงนอนนะความรู้สึกอึดอัดนะไม่สะดวกไม่สบายนะมาอยู่วัดนี่นะก็ต้องนอนกระดานนะรู้สึกไม่ค่อยสบายนะบางทีก็ทำไปก็ง่วงนอนนะบางทีก็คิดฟุ้งซ่านโดยเฉพาะย่างยิ่งพวกเราที่เรียนหนังสือมามากการศึกษาปัจจุบันเนี่ยมุ่งเน้นให้เราเป็นคนช่างคิด สาเหตุนะผลแล้วเราก็คิดมาตั้งแต่ชั้นประถมจนถึงมัธยมถึงอุดมมันคิดตลอดเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาฝึกเนี่ยมันก็เลยฟุ้งซ่านขึ้นมาซึ่งตรงนี้ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดปกติอะไรนะเป็นสิ่งที่มันแสดงออกมาแต่เมื่อเราเห็นอย่างนี้แล้วเราก็มาทำความรู้สึกตัวใช้ความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวทอนกาลังความฟุ้งซ่านได้ นะเราก็จะรู้เท่าทันนะความคิดความฟุ้งซ่านมันจะอ่อนกําลังลงด้วยความรู้สึกตัวหรือแม้แต่ความง่วงเนี่ยนะโอ้ความง่วงนี่มันมาธรรมดามากเลยมันก็แปลกนะบางทีเรามานั่งสร้างจังหวะมันง่วงๆนะแต่เวลาไปนอนเนี่ยมันไม่ง่วงอ่ะมันตื่นนะมันคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้นะบางคนเมื่อคือนอาจจะนอนไม่ค่อยอิ่มนะดูหน้าตาอิดโรยกันนะเพราะว่าไปคิดไงนะไม่ยอมนอน ไม่เอาความง่วงมาใช้นะนี่เป็นอุปสรรคที่เราจะต้องผ่านนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะมาทอนกําลังของเรานะเราอาศัยความรู้สึกตัวกับกายที่เคลื่อนไหวนี่แหละเป็นพลังนะในการที่จะต่อกรกับอุปสรรคเหล่านีนะ้ถ้าเราผ่านความง่วงไปได้เนี่ยเราจะพบกับความปลอดโปร่งโล่งใจนะที่รล้วว่าปิตนะิแล้วก็รู้สึกสบายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่ก็นั่นแหละนะ คนนำไปบางทีรู้สึกสบายรู้สึกปลอดโปร่งโล่งขึ้นมาเนี่ยก็คิดว่าอันนี้เป็นที่สุดของการเจริญสติแล้วแต่หาไม่ไอ้นี่มันก็ไม่เที่ยงความสบายความปลอดโปร่งก็ไม่เที่ยงก็ต้องรู้เท่าทันเหมือนกันนะถึงเวลาเขาก็จากไปอ่ะเดี๋ยวเขาก็มาเดี๋ยวมันก็มาหนักอีกเดี๋ยวมันก็โปร่งเดี๋ยวมันก็เบาอีก นี่คือสิ่งที่เราควรจะเรียนรู้ทั้งหนักทั้งเบาทั้งถูกใจทั้งไม่ถูกใจแล้วเราปล่อยวางได้นะก็คือกลับมาที่ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นตัวปรับสมดุลให้เรามีใจเป็นกลางกลางมีใจเป็นปกติไม่สุขไม่ทุกข์ภาษาพากเรียกอุเบคาและก็คือใจเป็นปกติอุเบคาเป็นยังไงเราลองสังเกต ต, ตอนนี้ขณะที่เรานั่งอยู่เนี่ยเรารู้สึกยางไรกันบ้าง ถ้าเราไม่ง่วงหลับง่วงนอนนะใจเราเฉยๆเป็นปกติใช่ไหมอันนี้ละ่ะคือสภาพที่เป็นปกติของเราที่มันทำให้เราเนี่ยไม่บ้ามันทำให้เราไม่ทุกข์ตรงเนี้ยมันรักษาใจของเราเราสัมผัสตรงนี้บ่อยๆแต่แน่นอนนะเราอย่าพยายามไปบังคับหรือไปจินตนาการว่าเราจะต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปนะเพราะนี้เราสังเกต ด, ดู ธรรมชาติเนี่ยสังเกตไหมเดี๋ยวมีสว่างเดี๋ยวมีมืดเดี๋ยวมีร้อนเดี๋ยวมีเย็นเดี๋ยวมีธรรมดาธรรมดานะสภาพของจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเดี๋ยวมีหนักเดี๋ยวมีเบาเดี๋ยวมีสบายเดี๋ยวมีทุกข์มีสุขอะไรต่างๆนี่คือสิ่งต่างๆที่แสดงปรากฏขึ้นมาให้เราใช้ความรู้สึกตัวที่เป็นตาในเนี่ยดูเรียนรู้สิ่งเหล่านี้แล้วสุดท้ายเนี่ยเราจะรู้จัก การปล่อยวางโดยธรรมชาติโดยไม่ได้ต้องไปตั้งใจไม่ต้องไปกะเกณฑ์มันมันจะเป็นเองนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแรกๆเนี่ยมันก็จะปล่อยวางได้เล็กๆน้อยๆนะเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นการปล่อยวางได้นิดๆหน่อยๆแต่เราทําบ่อยๆทําเรื่อยๆจนเกิดความชานาญก็จะเป็นอัตโนมัติมันจะเกิดนิสัยใหม่เป็นนิสัยแห่งความรู้สึกตัว เป็นนิสัยอย่างการที่เรารู้จักการปล่อยการวางนะแล้วก็ใจเราก็จะกลับคืนสู่ความเป็นปกตนะินี้ก็เป็นเป้าหมายนะของการที่เรามาเจริญสตินะมาพัฒนาหรือเรียกว่ามาภาวนาส่วนใหญ่เราก็ได้ทำทานกันมาแล้วรักษาศีลกันมาแล้วนะสิ่งที่เราจะมาทำที่นี่ก็คือการภาวนาหรือการพัฒนาการเจริญสตินั่นเอง นี่ก็เป็นสิ่งที่ถือว่าเป็นเป็นกุศลเป็นมหากุศลเป็นบุญใหญ่นะที่เราทำซึ่งเป็นการทำบุญที่ไม่ต้องเสียสตังนะเป็นการทำบุญที่ลงลงทุนที่เป็นตรงเงินนีน้อยมากๆนะแต่ได้ผลมากนะเราจะต้องเอาเอาความเพียรความพยายามของเราทุ่มลงไปนะตั้งใจทำใช้เวลาทุกเวลานาทีให้เกิดประโยชน์ ในการที่จะกลับมารู้สึกตัวอยู่เสมอนะนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้เรามาวัดป่าสุกโตเนี่ยคุ้มค่านะกับการที่เรามาอยู่นะเพราะที่นี่เนี่ยมีจุดประสงค์สําคัญก็คือให้พวกเราได้ม า, เ, าเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาฝึกเรื่องพวกนี้มาพัฒนาเรื่องพวกนี้เพื่อให้มันติดตัวเราไปและเมื่อเรากลับไปที่บ้านเราก็าไปใช้เอาไปสร้างสรรค์ชีวิต ของเราให้มีความเป็นปกติสุขเอาไปเพื่อแผ่กับคนรอบข้างเอาไปสร้างสารรค์ในการทํางานด้วยสติด้วยปัญญาเอาไปสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในในสังคมนะให้สังคมเนี่ยเกิดความสงบรุ่มเย็นนะอันนี้ก็เป็นเป็นประโยชน์นะที่เราจะได้รับนะต่อไปนะ น, นี้ก็เป็นสิ่งที่นนําเสนอนะกับพวกเรา ในในในเช้าวันนี้แล้วนะก็คิดว่าสิ่งที่ได้พูดไปคงจะเป็นประโยชน์นะกับทุกท่านนะที่ได้มาร่วมกันใช้ชีวิตในครั้งนี้ในท้ายที่สุดนี้ก็ขออำนาจคุณพระศีรรัตนตรยัยนะซึ่งประกอบไปด้วยพระพุทธพระธรรมพระสงฆนะ์พระพุทธก็คือความรู้ตื่นเบิกบานที่มีอยู่ภายในตัวเรา พระธรรมก็คือความจริงที่มันแสดงตัวอยู่เสมอนะและพระสงฆ์ก็คือการที่เราเจริญสตินะมาดูสิ่งต่างๆเหล่านี้นะเกิดสติเกิดปัญญาขึ้นมาเนี่ยด้วยความเพียรพยายามด้วยความศรัทธาของพวกเรานะจงเป็นพลวัปัใจจัยให้ทุกท่านได้เอ่อถึงซึ่งความเป็นปกติของจิตนะในทุกเมื่อนะทุกเวลา ในเร็ววันนี้โดยทั่นโดยทั่วห น, น, น้าทุกท่นทานเทินเจริญพร